ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตาสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันตั้งใจนั่งคัดสมาธิทุกๆคนการนั่งสมาธินี้ให้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 รวมอยู่ในพุทโนานทำแปดหมื่นสี่ 80, 000, 000พันธัรมขันก็ให้รวมลงไปที่พุทโน้นถ้าไม่มีพุทธโธไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสลู้ในโลกเป็นองค์พุทธโธอะไรอะไรทั้งหมดกิดจกรรมในทางพุทธศาสนาก็ไม่มีทางนั้น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 พระวินยัยก็คือว่าข้อห้ามลักสินห้าชิ้แปดชิ้สิบสองรอยี่สิบเจ็ดห้ามไม่ให้คนทำชั่วไม่ให้ประพฤติเล้ยวไหลเรียกว่าข้อห้ามข้อห้ามนี้เรียกว่าพระวินยัยพระวินัยข้อห้ามเหล่านี้ก็จำเป็นทุกคนจะต้องมีจะต้องรักษาถ้าไม่มีการรักษาอยากทำอะไรก็ทำไป อยากพูดอะไรก็พูดไปอยากคิดอะไรก็คิดเลื่อยเปื่ยไปไม่ตั้งใจภาวนาก็เลยทุกยิงทุกอย่างก็เลยละหลวมท้อถอยไปหมดจิตก็ฟุ้งซ่านลำขาดความประพฤติการกระทาของตัวเองก็เลอะเทอะไปหมดนี่แหละจึงว่ามันเกี่ยวโยงถึงกันหมดอะไรทุกอย่าง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 หมดทุกอย่างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงมันกน็สบายไปหมดถ้าหาว่าพุงแตกทางในละ่ะตายมันต้องดีทุกอย่างจึงมีคำว่าสบายดีถ้าอะไรอันหนึ่งมันไม่สบายมันเสียมันเสียไปหมด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 ท่านก็ว่าคนเรานั้นมันสาคัญที่ใจแล้วว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่ในโลกมนุษย์ก็ว่าได้ใจเป็นใหญ่ในลูกในตัวนี่ก็ได้เมื่อใจนี่ละเป็นใหญ่เป็นประฐานใจเป็นใหญ่เป็นประฐา น, น, น, ฐานสำเร็จแล้วโดวยดวงใจถ้าใจไม่ตั้งใจไม่เอาฐาน ใจไม่ภาวนาใจขี้เกียจใจมักง่ายใจโลเลไม่มีหลักไม่มีฐานเอาและทีนี้มันเก็เสียไปหมดท่านจึงตัดว่าภาวนาให้ดีทำใจให้ดีเพราะอะไรก็เพราะใจมันเป็นใหญ่เป็นตฐานทำอะไร จะสำเร็จลุล่วงไปได้ก็เพราะใจเป็นใหญ่เป็นประทัดพระพุทธเจา้าพระปัิเจกพุทธเจา้าพระอราหันตาเจา้าพระโซดาพระสกิทาคาอนาคาทั้งคริหัดและญาตโยมภิกษุสา ม, มนเณรผ้าขาวนางชีจะดีได้ก็อยู่ที่ใจใจนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันดีเอง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 ใจไม่กลงในหลักสิน5้าสินแปใจไม่กลงในไหวพระสวดมนต์ภาวนาใจขี้เกียจขี้ข้านท้อถอยท่องบนศาธยายพระธรรมคำสอนไม่ได้แต่คิดฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอำนาจกิเลสลาคะโทซามโมหะได้ <c oughs> ตลอดคืนก็นได้ตลอดวันก็นได้ นี่แหละคือมันคดในข้อคดในข้องอในกระดูกไม่ใช่กระดูกร่างกายมันงอใจมันงอใจงองแงไนใจไม่ตั้งมัน่นใจไม่เอาจิงใจมันคดไม่ซื่อลรงไม่เป็นสุปฏิปันโนไม่เป็นอุชุปฏิปันโนไม่เป็นยายะปฏิปันโน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 ถ้ามันได้กรธให้ใครใจอันนั้นมันโกรธใจดําอยู่นั่นแหละเ mm. พื่อนยังไม่ถึงเวลาตายก็อย่ากให้เพื่อนตายเมื่อใดมันจะตายเสียที mm. เราจะได้สบายมันจะสบายอย่างไร mm. ก็เขาตายทั้งโลกอยู่ยังเหลือเราอยู่มันก็จะเป็นเมื่อสบายอย่างไรสบายมันต้องละความโกรธละความอิจฉาพยาบาท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 ใจโกรธให้ละใจพระให้เจริญเจริญภาวนาพุทธโธพุทธโธในใจยาให้มันหลงลืมมันกระทบอารมณ์ใดๆก็ตามพุทธโธในใจไม่ให้ไหวหวั่นพุทธโธหมายถึงกับพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหมายถึงผู้ห้ามทับห้ามกิเลสห้ามกิเลสแล้วก็ตัดกิเลสฆ่ากิเลส ด, ด้วย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 ภาวานาพุทธโธให้กิเลสความโกรธมันตายมันหมดไปให้ใจมันใสสะอาดเมื่อใจใสใจตั้งมัน่นใจเย็นใจสบายใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวมันมองเห็นได้หมดแหละอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกมันเห็นในจิตนั้นเพราะมันใส ดูเวลาก็เราดูกระจกเงาดูแว่นดูกระจกเงาเมื่อเช็ดให้ดีแล้วมันใสใสก็มองเห็นหน้าเห็นตาเห็นเปื่อนเปืะอเลอะ เ, เ, เทอะทีนี้ถ้ามันไม่ใสมองก็ไม่เห็นหรือว่นน้ําที่เราตักมาน้ําใสดี่ถ้าเรามองมันไม่สันสะเทือน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 บาปนั่นมันมีอยู่ทุกยอมยาถ้าใครทำแล้วมันก็เดือดร้อนบุญก็มีเต็มโลกไม่ใช่ว่าบุญอยู่กงนั่นกงนี้เมื่อเราตั้งจิตเจตนาให้เป็นบุญเป็นกุศลแล้วที่ไหนก็เป็นบุญทาทานที่ไหนก็เป็นบุญรักษาศีลที่ไหนก็เป็นบุญ นั่งกรรมาฐานภาวนาที่ไหนก็เป็นบนุญมันบุญอยู่ที่จิตบุญอยู่ที่ใจบุญอยู่ที่ตัวบุญมันมีอยู่ทั่วไปถ้าเราทาเมื่อไดมันก็เกิดเป็นผลบุญขึ้นมากแต่ว่าผลบุญนั้นมันละเอียดหน่อยปัญญาไม่ถึงก็มองไม่เห็น ไม่เหมือนบาปบาปมันหยาบช้าทารุนเมื่อทําแล้วมันก็สนองเลยให้ปรากฏการเป็นทุกข์เป็นร้อนจนเจ้าตัวบนเพื่อลาไส้ทีเดียววะกรรมอย่างนี้บาปอย่างนี้ความทุกข์อย่างนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ทําเลยทําไมหนอข้าพเจ้าจึงได้รับ น, นั้น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 มันมีเหตุมีปัจจัยด้วยกันทางนั้นไม่ใช่มันเลื่อนลอยมาโดยไม่มีเหตุมีปัจจัยมันมีทางนั้นทำไมคนเราจึงตาบอดบางคนทำไมจึงเป็นคนหูหนวกทำไมจึงเป็นคนปากแหวง่งทำไมจึงเป็นคนขี้ไล่ขี้เละทำไมจึงเป็นคนดำทำไมจึงเป็นคนขาว มันมีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นมันมาจากผลกรรมอันบุคคลนั่นทามาเมื่อเราใจคิดบาทโกกให้คนอื่นให้ตาเขาบอดกีภพกี่ชาติมาแล้วก็ตามผลกรรมอันนั้นมาถึงเข้าไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดวัยใดมันก็ได้รับผลอย่าว่าแต่คนเราธรรมดา แม่พระ阿าหันตาสมัยก่อนโน้นเป่นมีพระจักคูบาลคือว่าแต่ก่อน <c oughs> ยังไม่ได้บวชนั่นหลายพบหลายชาติมาแล้วเป็นหมอยาเป็นหมอยาตายาทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่าบังเอิญมันมีเหตุเกิดขึ้นคนที่หมอยาไปยาหายแล้วมันไม่ให้สตาง มันไม่ให้สตางก็เฉยไว้ข้าวหน้ามันก็เจ็บขึ้นมาอีกมันหายเป็นก่าวๆทีนี้ก็เอายาตาบอดใส่ให้ละมันตาเขาก็แตกเป็นคนตาบอดไปผลกรรมอันนั้นแหละเมื่อท่านจักขุบานภาวนาไม่หลับไม่นอนมันดมันดานให้เป็นไปยนตาแตก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 เพราะว่าทำตาของคนอื่นให้บอดด้วยความโกรธความไม่พอใจนี่แหละคือมันมีเหตุมีปัจจัยทุกอย่างแต่คนเราั a นไม่ได้คิดไม่ได้นึกเมื่อตัวตัวเองไม่พอใจแล้วก็ว่า <c oughs> กรรมอย่างนี้ครับพระเจ้าไม่ได้ทำไม่ได้ทำชาตินี้ชาติก่อนทำ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 การภาวนาทำใจของเราให้สงบระงับตั้งมั่นในธรรมปฏิบัตินี่แหละเราต้องทำเหตุทำปัจจัยอันนี้ให้เพียงพออย่าไปมักง่าให้เจริญให้มากภาวนาให้มากทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำดีได้และอย่าไปรอให้ผู้ยังเด็กอย่าไปรอว่าให้แก่เสียก่อนจึงทำอันนั้นก็ไม่ถูก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 มาฟังเทศฟังธรรมก็มักจะถามว่าหลวงพอ่อหลวงปู่หลวงตาท่านจะแนะนำอะไรให้ใจของผมสบายใจสงบให้ผมละ ก, กิเลสลาคะโทสะโมหะได้มันว่าเอาอย่างนั้นท่านก็บอกว่าต้องภาวนาต้องทำดีสิมันจะดีได้ไม่ใช่คนอื่นทำให้มันก็ไม่ฟัง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 นั่งหลับตาภาวานาเป็นทุกข์เป็นรอดไม่เอาข้าจะเอาอย่างง่ายเวลาธรรมมันไม่ใช่ของง่ายมันต้องทําปฏิบัติภาวานายาได้มีความทอดทอยพุทธโธในใจแล้วว่ายังไว้ยึดไหวในใจมันจะโกรธมันก็โกรธไม่ได้มันคาพุทธโธมันจะโลภอยากได้นั่นได้นี่มันก็โลภไม่ได้มันคาพุทธโธเรานึกพุทธโธอยู่นะ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 วิชาเหล่านี้มันก็มีอยู่แต่ว่าสมัยใดคนโง่เขาเบาปัญญาคนไม่มีปัญญาไม่รู้จักเอามาดัดมาแลงมาแก้มาไขให้มันเกิดประโยชน์มันก็ไม่ได้แต่มนุษย์สมัยนี้เขามีเขามีความนี่หละไฟฟ้านะแต่ว่าคนฉลาดคนรู้คนเข้าใจไม่มีก็เลยเอาขึ้นมาใช้ไม่ได้ ถาคนฉลาดคนมีปัญญาคนมีอัตมีสต่างเอาขึ้นภูเขามันก็ขึ้นเอามาในถ้ำมันก็มีไฟไฟฟ้ามันก็ใช้ได้นี่แหละพระธรรมวในัยสัตวุศาสนาคําสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าก็มีอยู่แต่ว่าถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้ามาตรัสมาชี้แจงแสดงคือว่า เอก่อนมันเอามาใช่ไม่ถูกเหมือนทรัพยากรในโลกนั้นแหละเมื่อคนไม่ฉลาดเกิดขึ้นมามันก็มีอยู่แต่ไม่รู้จะเอามาใชยอย่างไรถ้าคนฉเฉลียวฉลาดคนศึกษาดีมีทรัพย์ชิ้นเงินทองมีอุปกรณ์ต่างๆครบคันทั้งคนทั้งวัตถุมันก็เอามาใช้ได้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 เมื่อใจเอาจริงแล้วได้หมดถ้าใจไม่เอาจริงละอะไรก็ไม่ได้ถ้าใจถอยละถอยหมดท่านจึงว่าใจเป็นใหญ่นะใจเป็นประธานนะจะสำเร็จลุล่วงงานต่างๆจะลุล่วงไปได้ก็ด้วยกาลังใจร่างกายสังขารอันนี้มันเป็น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 ยึด ใ, ใจของเราที่ให้ภาวนาพุโทโธหรือภาวนาอะไรให้ใจมันเป็นแก่นแก่นศีลแก่นธรรมแก่นคําสั่งสอนให้มันอยู่ในใจไม่ให้เป็นใจเหลวไหลใช่การไม่ได้ให้ใจดีใจดีก็คือว่าศีลสมาธิภาวนานั่นเองใจดีก็คือว่าทานศีลภาวนานั่นแหละผลที่สุด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 ท่านว่าอย่างใดก็ฟังไปเราไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ภาวนาให้มันรู้ตามเห็นตามท่านว่าดีก็ดีท่านว่าท่านว่าชั่วก็ชั่วท่านว่าเมื่อกิเลสความโกรอดโลภหลงมันเกิดขึ้นเราก็ไปตามมันไม่ได้ต้องให้มันแจ้งอยู่ในจิตในใจว่าอะไรมันผิดผิดแล้วก็ไม่ต้องทําละทิ้งบาป เมื่อรู้เข้าใจแล้วไม่คิดทำอีกต่อไปไม่พูดอีกต่อไปไม่ทำอีกต่อไปบาปนั้นก็ไม่เกิดขึ้นคันไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เป็นอย่างนั้นไม่รู้ว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญธรสมสมไปอย่างนั้นแหละคันให้นั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ฟุง้งซ่านลำคาญง่วงเหาเหานอนท่อแท้ออนแอกลัวตาย มันเป็นเสียอย่างนี้นั้นไม่ปะกันลุกขึ้นตื่นขึ้นอย่าให้จิตใจท่อแท้อ่อนแอจงเตือนใจของตัวเองอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่อ่อนแอท้อแท่เหมือนเราท่านทำบุญให้ทานเต็มที่จิตใจของท่านก็สามารถอ่านหารท่านรักษาศีลของท่านให้บริสุทธิ์จิตใจของท่านก็สามารถอ่านาร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 ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนีสภีติโยวิวัตชันตุสัพพโลคโควินัสตุมาเตภวัตตวัน ต, ตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาชิริชนิจยังวุ ธ, ธาปัยิโน จตารโหธรร ม, มาวัฒนิอายุวันโอสุขังภาลังนาโมตัสสะพะเะวโตอะระหโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนาโมตัสสะพระวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอราหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> นะบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนา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 ที่เราทุกข์คนทุกดวงใจทั้งหญิงชายเด็กนมแก่คฤหัดและนักบวชจะต้องมุ่งลองไปจุดนี้ให้มากที่สุดทีนี้เมื่อหนาวมันก็มีเป็นวัดขัดจมูกไปด้วยก็อยาไปเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเป็นวัดขัดจมกูก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 จะมาย่อท่อในหัวใจไม่ได้ในเมื่อเวลาหนาวก็ตามร้อนก็ตามฝนก็ตามความจริงร้อนหนาวเขาไม่ได้เป็นทุกข์น้ำดินน้ำไฟลมเขาไม่ได้เป็นทุกข์เจตใจของเรานี่แหละมันเป็นผู้ทุกข์ไปยึดไปถือยึดมั่นถือมั่นมากเท่าไหร่ก็ทุกมากเท่านั้น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 คิดออกไปตามลูกเสียงกลิ่นรสโผฏภะธรรมลารมณ์รวมกำลังเข้ามาตั้งในจิตใจให้ได้ทุกลมหายใจจึงจะเข้าใจในธรรมปฏิบัติสติให้มีความะระลึกโยในตัวในใจ เมื่อเกิดความทุกข์อันใดขึ้นมาในร่างกายสังขารนี้เป็นต้นว่าเดี๋ยวนี้แลีย ว, ว่าหนาวเย็นหนาวเมื่อความทุกข์อย่างนี้บังเกิดมีขึ้นนั่นท่านว่าทุกข์อย่าไปบน่นอดทนออาถ้าใครจำได้ว่าทุกข์ไม่ต้องอดนะทุกข์ต้อง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 เจ็ดหลองเจ็ดยึดถือมันไปว่าว่าหนาวหนาวก็สมมุติเอาตัวหนาวมันไม่ได้ล่องเปล่าเปาเหมือนคนว่าข้าพเจ้าหนาวนะลมเหนือมาลมใต้มาอะไรว่ามันก็หนาวนะเขาว่าหรือเขาไม่ว่าทาดดินเขาว่าที่ไหนดูแผ่นดินภายนอกสิทาดน้าเขาก็ไม่ว่า น้ำเขาจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่ว่าธาตุไฟธาตุลมเขาก็ไม่ได้สมมุติตัวเขาใครเป็นคนสมมุติมนุษย์หลงไปสมมุติเมื่อตัวเองสมมุติขึ้นมาตัวเองก็หลงสมมุตินั้นเนลท่านจึงให้ภาว น, นาทำใจให้สงบ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 โลกที่เราเห็นนั้นแหละจะให้มีความสุขความสบายหาได้โลกไหมว่าโลกนั้นมันได้มาจากอะไรไม่ใช่ได้มาจากสิ่งปฏิกูลโโครกทุกคนหรือคนเราไปนอนในคันมารดาในท้องแม่ทุกคนไม่ว่าหญิงชายนักบวชนักบ้านไปนอนในท้องแม่มัน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 ในนั้นอย่าไปเย็ดหนาวถือหนาวตั้งใจขึ้นมาใจให้ยกขึ้นมาให้สูงสง่งหนาวทใดเราถวนาเหงานอนง่วงนอนก้มลงไปจนถึงพื้นใช่ไม่ได้เยืดตัวขึ้นทำมันสูงสง่องลรวเลิกโย่ในตัวในใจอย่าให้ขี้เศ้าเหงานอนเข้ามาทับถมได้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 การประพฤติปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนานั้นตนเองต้องตั้งใจขึ้นมาเพาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่มีให้ใจเราทอดถอยในการปฏิบัตินั่งก็ภาวนาพุทโธเยืนก็ภาวนาพุทโธเดินไปไหนมาไหนไปรถไปลาก็ภาวนาพุทโธรวมจิตใจเข้าไปภายในยนั่นเอง จะภาวนาบทใดข้อใดถูกกับจริตจิตใจของตนอันใดก็ได้นึกถึงความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ความพัฒนาจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์อะไรก็ภาวนาได้ทางนั้นไม่ใช่มีแต่พุทโธอะไรก็ตามเมื่อเรานึกเราจะเลินขึ้นมาแล้ว พาให้จิตใจเราสงบตั้งมัน่นเกิดความสลดสังเวชในความหลงในจิตในใจในตัวของเราได้แก้ไขกิเลสในใจของตัวใดนั่นแหละเป็นพระธรรมพระวินัยสัตตุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทุกคนแก้ตัวเองแก้ใจของตัวเองละกิเลสในใจเนย ใ, ให้หมดไปสิ้นไป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 ทรัพย์สินเงินทองเลือกสวนไล่นาบ้านเรือนตึกหลามชื่อเสียงหน้าตาเอาไปได้แค่ไหนตายแล้วมแมลงวันตอมปากมีประโยชน์อะไรจะมาลงยึดในร่างในกายในหน้าในตานี่ทำไม จงภาวานาให้รู้แจง้งในจิตใจของตัวเองแก้ไขใจไม่ให้หลงไม่ให้มายึดเหลายึดร้อนความทุกข์อันใดบังเกิดมีขึ้นเป็นธรรมดาของโลกประขันเขาต้องเป็นอย่างนี้มาอย่าง